ขอล่ามของฝากจากหมอเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจโดยใบเต ย, ย เ, เสียงเ ย, ยชมพูดดังลั่นห้องตรวจอันแสนจะเงียบของผมใครเห็นเขาจะเชื่อไหมเนี่ยว่าหล่อนเป็นบัณฑิตแพทยศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเฮย้ยเป็นอะไรครับชมพูเอตาโรแบบเนี้ถ้าพี่มีคนข้ายอยู่เขาจะตกใจนะครับ ผมอมยิม้มเดี๋ยวคนเขาคิว่าคนไข้จิตเวทหนีออกมาแอบกัดเล็กๆแต่ดูท่าทางเจ้าตูจะไม่รู้สึกะแะฮแหม่พี่เอกก็ถ่ายซิถ่ายซิยซหนูไปเจอเคสอะไรมาเสียงหลอนถามอย่างกระตือรือร้นลิ้นรัวๆๆราวกับกลัวจะสิ้นชีวิตก่อนที่จะจบประโยคช่างเป็นเด็กจบใหม่ที่ไฮเปอร์จริงๆใจเย็นๆใช้ใจออกช้าๆก่อน หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกครับ hmm. ผมบอกไปอย่างเป็นห่วงกลัวจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนบทสนทนาจะจบหมอชมพู่ทำตามอย่างว่าง่ายดูท่าทางจะมีสติความตื่นเต้นเริ่มลดลงมาหน่อยนึงอย่าบอกพี่นะครับว่าไปตรวจน้องกลอบน้องไม้มาเลยดีใจจะมาอวดพี่แเอกก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะ หนูไม่แค่วิ่งกรี๊ดกรี๊ดมาแบบนี้หรอกค่ะจะวิ่งมาพร้อมกับถือธารโค้งประกาศมาด้วยค่ะงั้นไปเจอเคสอะไรมาะครับผู้หญิงค่ะพี่เอกหกล้มข่าถลอกเมื่อ2วันก่อนวันนี้ญาตินํามาส่งหัวใจหยุดเต้นตัวเขียวอือปากซิดไปเลยค่ะอะไรนะครับแค่ข่าถลอกจะว่าบาดทยักก็เร็วไปนะครับแค่2วันน่าสนใจ นั่นไงว่าแล้วพี่เอกต้องสนใจจะหล่อดอมยิ้มอย่างภูมิใจที่ทำให้หมอรุ่นพี่ตะลึงและเรียกความสนใจได้สำเร็จงั้นให้ประวัติเพิ่มค่ะเขาเนี่ยหนักเป็นสองเท่าของหนูล้มแล้วนอนอยู่ที่เตียงไม่ลุกไปไหนเลยโอ้โหเจอเคส Pulmonary embolism มมาละสิครับเกิดจากคนป่วยน้ำหนักตัวเยอะๆนอนนิ่งๆ ส่วนใหญ่พบในคนป่วยที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆและไม่ยอมขยับตัวเกิดจากก้อนเลือดหรือพวกไขมันหลุดไปตามกระแสเลือดและอุดตันเส้นเลือดที่ปอดคล้ายๆกับที่เคยมีข่าวไปดูดไขมันแล้วเสียชีวิตนะครับค่ะพี่เอกเนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งเลยนะคะถ้ารวยกว่าเนี้ยจะจีบเลยล่ะอืมแต่แพ้น้องกอฟน้องไม้ของหนูนิดนึง <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกดีมากๆที่ไม่รวยครับพี่ร้อเล่นในใจนะครับชมพู่แล้วรอดไหมครับไม่รอดอะค่ะตอนแรกปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วค่ะแต่ไปถึงวอร์ดก็แย่อีกค่ะได้ข่าวมาว่าายซะแล้วละค่ะอืมครับหนูเพิ่งรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะน้ำเสียงหมอสาวค่อนข้างจริงจังผิดกับตะกี้เป็นคนละคนแบบนี้ค่อยเหมือนหมอขึ้นมาหน่อย แต่หน่อยเดียวจริงๆครับทำไมชมพู่ถึงคิดแบบนั้นขึ้นมาหล่ะครับก็คุณคนไข้เนี่ยคะ่ะอายุเท่าหนูเลยคะ่ะไม่มีโรคประจำตัวอะไรนอกจากอ้วนอย่างเดียวคะ่ะแล้วแค่หกล้มหกล้มแผละลอกนะคะแค่แผละลอกกับพี่เอกไม่นึกเลยอะ่ะเมื่อไหร่อ่ะจะถึงตาเรานะ่าจริงๆแล้วนะครับถ้าชมพู่นึกดูดีๆไม่ใช่แค่นี้นะครับ เด็กเกิดใหม่ก็ตายได้จากภาวะแทรกซ้อนของการคลอดการตั้งครรภต่างๆเด็กโตมาหน่อยปอดติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ตายได้หนุ่มๆสาวๆรถชนตายไปก็มากแกแกๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเบาหวานความดันหัวใจสารพัดเลยจริงด้วยค่ะพี่เอกทำไมหนูไม่เคยคิดถึงเลยนะคะ ทั้งทางที่เจอที่พบคนตายเกือบทุกวันเพราะเราเห็นบ่อยจนชินไงครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่เรารักเราก็เสียใจนานหน่อยถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ในคนไข้ารายนี้เขาอายุเท่ากับชมพู่ไม่มีโรคประจําตัวแข็งแรงดีเหมือนเหมือนเราพอย้อนมาเทียบกับตัวเองชมพู่ก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ถือว่าเก่งแล้วครับเก่งยังไงอะคะ ถามพร้อมกับสีหน้าสงสัยคิดถึงความตายมันเก่งยังไงวะก็เก่งที่คิดได้ไงครับว่าความตายมันอยู่ใกล้ๆตัวมีคนอีกหลายคนที่ลืมนึกไปเลยว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายบางคนก็คิดว่าอีกนานถึงจะเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหรือเพียงแค่หนึ่งนาทีก็ได้มีโรคที่เรารู้จักตั้งมากมายที่ทําให้เราตายได้เดี๋ยวนี้ และที่สำคัญคือความตายเป็นความจริงที่เราทุกคนจะต้องเจอครับฮชมพู่ขนลุกก็ค่ะฟังที่พี่เอกพูดแล้วอ่ะยิ่งกลัวตายมากกว่าเดิมอีกค่ ะ, คะแบบนี้เราควรทำยังไงดีคะกลัวไม่กลัวก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะเตรียมตัวสิครับเตรียมตัวตายหรอคะครับเตรียมตัวตายผมพูดพร้อมพยักหน้าและกระตือรือร้น เตรียมยังไงคะสมบัติอะไรก็ไม่มีคงไม่ต้องทำพิในการมอะไรก่อนอื่นก็ต้องสครับให้สะอาดนะครับเปล่าพี่เอกลอกว่าหนัว่าเปล่าคะเนี่ยมหาวิารสปรกปกค่ะสครับเป็นสับที่ใช้ในห้องผ่าตัดครับก่อนจะผ่าต้องทำความสะอาดผิวหนังเพื่อลดอัตราเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังเราเรียกกันว่าสครับเปล่าจา้า พี่แค่พูดให้ชมพู่เห็นภาพะนะเหมือนเวลาเราจะเตรียมตัวผ่าตัดเราก็จะทำความสะอาดผิวหนังก่อนเพราะเราจะเตรียมตัวตายเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนไงครับทำยังไงอะคะสีหน้าฉงนและสนใจใคร่รู้ของรุ่นน้องทำให้ผมนึกเอ็นดูขึ้นมาในใจชมพู่รู้จักสีห5้าไหมครับนั่นแหละที่พี่เรียกว่าการทาความสะอาด อ๋อพี่เอกหมายถึงทำความสะอาดจิตใจใช่ไหมคะแล้วสินห้ามันทำให้เราใจสะอาดได้ยังไงอะคะคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่คิดบีดเบียนคนอื่นก็จะทำให้จิตใจสบายมีเมตตาอยู่ในใจคนไม่ขโมยก็ไม่ต้องกังวลกลัวว่าเจ้าของเขาจะมาจับได้คนไม่ประพฤติผิดในการมก็ไม่ต้องทำอะไรหลบหลบซ่อนๆคนที่ไม่โกหกก็ไม่ต้องคอยจา ว่าพูดอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวเขาจับได้คนไม่ดื่มสุราก็จะไม่หลงขาดสติแบบโลกโลกที่อาจจะทำให้ทําผิดทั้งสข้อที่พี่บอกฟังแบบนี้แล้วรู้สึกสะอาดบ้างไหมครับรู้สึกสะอาดและสบายด้วยค่ะคิดว่าถ้ารักษาสินห้าชีวิตคงมีความสุขขึ้นนะคะหล่อนยิ้มและทาหน้าปลื้มมีความสุขแบบนี้เองเขาเรียกว่าปิติเล็กๆจากการได้พูดคุยถึงเรื่องดีๆ ว่าถรว่ามันเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายยังไงอะคะอ้าวก็คนที่สะอาดสบายก็จะทำให้ใจมีความสุขคล้ายๆกับที่ชมพู่รู้สึกตะกี้ไงครับแค่นี้เองเหรอคะวิธีเตรียมตัวตายเนี่ยยังมีอีกครับไว้พี่จะค่อยๆบอกนะวันนี้เอาให้ได้แค่นี้ก่อนแล้วพี่ให้หนังสือเล่มนี้เป็นระวัลสาหรับวันนี้นะครับหล่อนรับหนังสือไปพลิกดูอย่างสนอกสนใจตามระษาคนชอบอ่าน โอ้โหปกสวยจังณมรณาชอบค่ะของฟรี <c oughs> อืมอะไรคะเนี่ยเจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจเตรียมตัวตายอย่างโซดาบันคนดีทำไมตายไม่ดีทำได้จริงๆเห็นผลจริงก่อนตายว้าวว้าวาสุดยอดเลยพี่เอกเนี่ยหล่อเรียงใจดีอีกได้ของละไปละค่ะ ในที่สุดห้องตรูจของผมก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งนี่แหละครับธรรมดาของคนที่มักไม่คิดว่าความตายของตัวเองจะมาถึงขนาดเป็นคนที่อยู่กับความเป็นความตายแท้ๆอย่างใหญ่ชมพู่ก็เถอะวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสได้เตรียมตัวตายก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เถอะครับถ้าพลาดโอกาสนี้ไปแล้วเราอาจจะต้องเร่ร่อนระหกระเหินไปอีกนานแสนนานก็ได้ใครเล่าจะรู้ เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรศิษย์และพัทรรวดีจันเหล่าหลวง